สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะขอเชิญเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสันสนีสนทนาซึ่งปี2553นี้เราจะเปิดโอกาสให้ท่านฟังที่ฟังสถานีวิทยุครอบครัวข่าวได้ปฏิบัติธรรมและฟังพระสูตรพร้อมๆกันไปนะคะโดยการนำของพระมาร์คชาคาวโรวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบในเวลาต่อจากนี้ไปเลยค่ะน้ัสการค่ะท่านค่ะจันเรพร เชาานี้เราก็มาทำความเพียรปฏิบัติธรรมด้การนั่งสมาธิกันต่อแล้วก็จุดประสงค์นี้ก็จะให้ฟังพระสูตรที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ให้เราได้จดจําในจําพระสูตรของบุญเจ้าไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนเกี่ยวกับการเจริญอาณาปา น, นสติในการมีสติ รู้อยู่กับลมหายใจไว้ท่านได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานน์อานาปานาสติเป็นอย่างไรเล่าอานน์ภิกษุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงนำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติ หายใจออกเมือ่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมืออออ่อาหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมือ่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมือ่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทําความรู้พร้อมเฉพาะ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 หากมีความคิดใดๆเกิดขึ้นทั้งสุขทุกข์ความคิดอดีตหรือความคิดปรุงแต่งไปในอนาคตก็ให้รีบละความคิดนั้นเสียเรียกว่าการละนันทิหรือว่าการละความเพลินแล้วก็ให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจดังเช่นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เรื่องของอาณาปานาสติสำหรับอานิสงของอาณาปานาสตินี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธินี้แลอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นของรำงับเป็นของประนีตเป็นของเย็นเป็นสุขขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมอันเกิดขึ้นแล้วให้อันตราธานไปให้รำงับไปโดยควรแก่ฐานะภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนฝุน่นธุลีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทำฝุน่นธุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้รำงับไปได้โดยควรแก่ฐานะข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็เป็นของรำงับเป็นของประนีต เป็นของเย็นเป็นสุขขวิหารและย่อมอย่างอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตราธานไปให้รำงับไปโดยควรแก่ฐานะได้ฉะนั้นดังนี้แล้วขออนุ ญ, ญาตนะคะท่า น, นอาจารย์เท่ากับว่าอานิสงสำหรับการทำานาปานสติที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็คือจะทำให้อากุศลธรรมทั้งหลายอันตราธานไปรำงับไป โดยควรแก่ฐานะจึงได้มีการกล่าวว่าถ้าจะแก้กรรมกันแบบพุทธวจนะแล้วการปฏิบัติอาณาปานาสตินี่ก็จะช่วยได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งท่านฟังคะเชิญมาติดตามฝึกปฏิบัติพร้อมกับฟังพระสูตรที่เป็นพุทธวจนะจากพระโอษขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันได้เป็นประจำในช่วงต้นของรายการสรสนีสนทนากันแบบนี้ค่ะวันนี้นาสการขอบพระคุณ พระมาชาคาวโรไว้นะโอากาสนี้ค่ะแอนทีาดานพลสัญหาเรื่องราวดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึงซ้งซึ่งปัญญาในสันส น, นาท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสันสนทนาก็ยังคงอยู่กันที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเยแห่งนี้นะคะซึ่งในช่วงถามโลกตอบธรรมแต่เดิม ตอนนี้เราได้มีการพัฒนาปรับไปให้ท่านฟังนั้นได้เข้าถึงว่าที่สนทนากันอยู่นี้เป็นพุทธวจนะนะแล้วก็เป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้คําว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดนั้นเป็นพุทธวจนะด้วยนะคะช่วงนี้จึงใช้ชื่อว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะเชิญพบกับพระอาจารย์ภัยบูลอะพิปุลโนซึ่งจะมาพบกับท่านในช่วงนี้เป็นประจํานะคะนามส ก, การคะท่านคะ ได้ไ ม, ไม่เลย่ลย <c oughs> ไหะด้ยินแล้วคะ่ะนะคะท่านจารย์ค ะ, ะวันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงของความหลงปีใหมแ่แหละ <c oughs> มีบทความ ของราชบัณฑิตของประเทศไทยนะคะคืออาจารย์สเสถียนพงศ์วรรณปกความจริงแล้วท่านผู้เชี่ยวชาญเรื่องพระพุทธาศาสนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระสูตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประจำในสื่อต่างๆโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์มัติชนนะคะล่าสุดนี้ท่านก็ได้ไปเจอคนคนหนึ่งที่มองโลกในแง่ดีเห็นอะไรเครียดก็สามารถยิ้มได้ขนาดที่ว่า ขับรถไปดีๆมีรถอีกคันถลาเข้ามาชนยุบไปทั้งแถบยังลงมาดูรถตัวเองแล้วยืนยิ้มได้อืบอกว่าคนขับเนี่ยคงจะไม่ได้หลับทั้งคืนก็เลยวิ่งมาชน ท, ทั้งที่ไม่น่าจะชนแล้วก็ยิ่งขำมากกว่านั้นตอนที่ตํารวจมาขอใบขับขี่คนที่ขับรถมาชนเนี่ยก็บอกไม่มีเพิ่งชนก็ก่อนหน้านี้ไม่นานตํารวจยึดใบขับขี่ไปแล้วแทนที่ท่านจะโกรธบอกว่าได้ฟังแล้วโกรธไม่ลงเห็นใจเขา ขับรถในเมืองไทยมันก็อย่างนี้แหละอาจารย์สเสียนพงศ์ท่านผู้เนี้ยเล่าไปยิ้มไปอย่างมีความสุขหน้าอิดชา้า <c oughs> และท่านก็เลย ม, มาถึงตอนท้ายบอกว่ายิ้มเข้าไว้เนี่ยเป็นประหัตแห่งความสุขประจบ ก, กับการที่ท่านได้ไปอ่านหนังสือชื่อสุขกายสุขใจในสังคมที่วุ่นวายเขียนโดยธรรมปาโมดนะคะบอกว่าถ้าใครเป็นคนที่ยิ้มยากเสือยิ้มยากมีสีวิธี ที่จะช่วยให้ยิ้มง่าย <c oughs> คือเวลาเจอหน้ากับเพื่อนฝูงให้คุยเรื่องสนุกจะได้มีโอกาสยิ้มหัวเราะอันนี้เป็นประการที่หนึ่งถ <c oughs> ัดมาก็ให้หารูปหาวิดีโอหาสื่อต่างๆที่สนุกเก็บไว้เวลาที่มันยิ้มไม่ออกเอาขึ้นมาดูอย่างที่สามบอกว่าให้ฝึกยิ้มบ่อยๆยิ้มบ่อยเท่าไหร่ปัญหาหนักแค่ไหนร่างกายจะมีพลังมากขึ้นเท่านั้นและจะได้พบว่า การยิ้มคือพลังอ mm hmm. ประการสุดท้ายก่อนก้าวออกจากบ้านให้ยิ้มไว้ก่อนตอนช่วงแรกอาจต้องใช้ความพยายามแต่นานไปจะรู้ว่ายิ้มเนี่ยกลายเป็นเรื่องของธรรมชาติทั mm ้ hmm. งนี้ท่านว่าไว้อย่างนี้ค่ะ mm hmm. ยิ้มในทางพระพุทธศาสนาเราพระพุทธองค์มีตรัสไว้ถึงบ้าไหมคะพระเจ้าก็ให้ยิ้มด้วยใจแต่พระเจ้า่าพูดถึงเรื่องการยิ้มด้วยใจไว้อย่างไรคือการมี การแผ่เมตตาด้วยจิตตนเองคือการที่เราจะต้องไปหาเรื่องสนุกสนานมาทําให้เรายิ้มเนี่ยพุทธลงบอกว่ายังเป็นการที่ยิ้มอย่างมีเครื่องร่อคือต้องอาศัยอุปกรณ์ในการช่วยใช่ไหมที <c oughs> นี้ว่าแล้ววิธีที่พระพุทธเจ้าสอนในการยิ้มจากในภายในจากข้างในเนี่ยมีวิธีการอย่างไรคือเรื่องนี้พระพุทธเจ้าใช้คำธรรมะที่จะพูดถึงต่อไปเนี้ยชื่อว่าอปันนกฐธรรมคือธรรมะที่ไม่มีการผิดเลย อพูดกับอตรัสกับพวกชาวกะละมะนะบอกว่าถ้าเผื่อว่ามีคนเนี่ยมาพูดอย่างนี้อย่างนี้และอีกคนหนึ่งพูดอีกอย่างหนึงอีกอย่างนึงซึ่งขัดกันโดยสิ้นเชิงหรือว่าจะ ส, รสรรารสถานการไหนก็แล้วแต่ความสับสนความไม่สับสนทีเรามีอยู่เนี่ยถ้าเธออยู่ในธรรมะคืออปันากัสธรรมที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยเธอจะมีความสุขสามารถยิ้มได้ก็คือหนึ่งเป็นคนมีศีลก่อนมีศีลห้ข้อเนี่ยธรรมดาธรรมดา ใช่หคนอื่นเขาจะมากล่าวหาเธอไม่ได้ว่าเฮ้ยคุณเป็นคนฆ่าสัตร์คุณเป็นคนลักทรัพย์อะไรต่างๆเหล่านี้เธอจะเป็นผู้ที่ไม่มีความร้อนใจด้วยเหตุนี้ประการที่หนึ่งอพอไม่ร้อนใจอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ให้ตั้งจิตแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย<อ>นะเมตตากรุณาโมทิปาภุเบคา ถ้าเราเป็นผู้มีสีมีความไม่ร้อนใจแล้วเข้าสู่บริษัทไหนโดยไม่ขั้นครามเนี่ยแล้วก็มีเมตตากรุณาเทตตาอุเบกขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าใครเขาจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เหตุการณ์จะลดชนอะไรยังไงเรายังมีความสุขอยู่ในใจค่ะบริจาก็ถามพวกชาวกรรมะชาวกรรมะก็บอกเออใช่ยังมีความสุขอยู่ในใจแน่นอนไม่ว่าเรื่องที่จะพูดเนี่ยถูกใจเราไม่ถูกใจเราจะเป็นยังไงเหตุการณ์บ้านเมืองเศรษฐกิจอะไรเป็นไงเราจะยังมีความสุขอยู่ในใจถูกไหมถูกต้อง เพราะอะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ร้อนใจเพราะว่าเราไม่ได้ทําบาปทากรรมอะไรสองเราเป็นคนที่แผ่เมตตายตลอดเวลาเมตตากรนำเมิตาอตเบกค า, า, า, เ, าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีแต่ความสุขอยู่ในใจตลอดโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องมือเครื่องไม้อะไรมาช่วยค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ทําอย่างนี้เนี่ยจะประกอบด้วย <c oughs> จะประกอบด้วยความเบาใจสี่อย่างในปัจจุบันค่ะ <Okay. S 1> คือหนึ่งเนี่ยถ้าเผื่อว่าเอ่อ คนที่เห็นคนที่เขาทำชั่วเนี่ยทำไม่ดีเนี่ยแล้วเขาได้รับโทษเนี่ยนะเราก็ไม่เดือดร้อนใจอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าใครเขาพูดเรื่องดีๆการพูดเรื่องของคนดีเนี่ยคุณสมบัติข้อนั้นก็มีอยู่ในเราเพราะเราเป็นผู้เจริญเมตตากรุณาไม่ดีด่าเบียขามีศีลใช่ไหมเราก็จะดีใจด้วยข้อที่สองนนี้เป็นเหตุข้อที่สามก็คือว่าหลังจากเมื่ออายุมากเข้ามากเข้าแก่ไปเนี่ย ก็จะไม่มีความร้อนใจว่าเอ้เราไม่ได้ทําบุญเอาไว้อาจจะไปสู่ที่ไม่ดีเราจะไม่ร้อนใจเลยเราจะสบายใจด้วยข้อนี้เป็นเหตุเพราะเราได้ทําความดีเอาไว้ข้อที่สี่ชาติหน้ามีหรือชาติหน้าไม่มีนะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีความสุขในปัจจุบันถ้าชาติหน้ามีนะยิ่งความสุขมากถ้าชาติหน้าไม่มีปัจจุบันนี้เราก็แฮปปี้อยู่ยิ้มได้เราไม่ต้องมีเครื่องช่วยอืมนี่คือวิธีที่ว่ า, าพระพุทธเจ้าสอนให้มีความสุขที่เกิดจาก โดยการแผ่เมตตาโดยการเอาจิตเนี่ยตั้งไว้ในศีลก่อนแล้วก็จเจริญเมตตาทั้งสี่อย่างอย่างนี้เ ป, ป็นอภรณอากาศธรรมแปลว่าทําที่ทําที่ไม่ผิดทําที่ไม่ผิดเพรว่าใครจะสอนอะไรยังไงเนี่ยเขาสอนให้เราเอไปเอาผ้าขาวกลุ่มตัวสอนให้ไปแช่ในน้ําถามว่าสิตของเธอจะยังสบายอยู่ไหมเอ้าก็สบายสิเพราะแผ่เมตตาอยู่เออไม่มีทางผิดเลยเงียบไหมถ้าเขาสอนให้ไป ฆ่าสัตว์เท่าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ถามเพราะเราก็สบายใจอยู่เพราะเราแผ่เมตตาด้วยก็เป็นธรรมที่ไม่มีทางผิดเลยใท่ไหอาจารย์เท่าเท่ากับว่าเาเมื่อมีศีลห้าแล้วเนี่ย uh huh. ในการรักษาศีลห้าขอให้มีการแผ่เมตตาประกอบอยู่ด้วยตลอดอย่างนั้นใช่ไหมคะคือเป็นการควบคู่กัน่ศีลห้าบวกกับพรหมหานศีลอาจารย์คะทีนี้การแผ่เมตตาเรามักจะคุ้นเคยกับบทแผ่เมตตาสัพเพสัตตา อเวลาอพยาปัจ ช, ชาเลยเนี่ยนะค ะ, ะ, ะแผ่เมตตาเช่นนี้กับแผ่เมตตาเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาตามแนวทางพรหมวิหารนั้นอเป็นเรื่องเดียวกันไหมคะโดยบทเพียรชนะที่พระเจ้าสอนให้การแผ่เมตตาเนี่ยพระรัชกาบอกว่าพอจิตของเราเนี่ยเรามาคิดดูนะพิจารณาตัวของเราดูเอ๊เราเป็นคนมีสีเมื่อคนมีสีนเนี่ยให้มาพิจรารณารู้ตัวเองเลยว่าเอ๊สีนเนี่ย เป็นกุศลสีเนี่ยไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญเอ๊เราก็เป็นผู้ที่อยู่ในคุณธรรมอันนี้เราจะดีใจและข้อนี้เป็นเหตุอันที่หนึ่งใช่ไหมค่ะแล้วก็จิตเป็นจิตที่ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทปราศจากพยาบาทมีจิตประกอบพร้อมด้วยเมตตาแต่เราก็แผ่ไปยังทิศที่หนึ่งคือข้างหน้าข้างขวาข้างหลังข้างซ้ายข้างบนข้างล่างด้านขวาง ทั่วทุกทางเสมอได้กันตลอดโลกทั้งฟงที่มีอยู่ใช่แค่นี้เองตนะอนเราตั้งจิตอยู่ด้วยความเมตตาเนี่ย อ, อมีจิต ท, ที่เลกถึงบุญกุศลคือศีลของเราเนี่ยนะที่ทํามาแล้วเนี่ยแล้วเราก็ทําจิตให้อยู่ด้วยความเมตตาไม่มีเวร ไ, ไม่มีพยาบาปแต่ไปอะไทั่วทุกจิตทุกทางเสมอหน้ากันด้วยบทปรยชนะอย่างนี้แค่นี้เองกรุณาก็เหมือนกันมุทิตาก็เหมือนกันอุเบศาก็เหมือนกัน เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาดูมันใกล้กันจังอุเบกขานี่อาจจะเข้าใจง่ายหน่อยอแต่ถ้าจะให้ท่านอาจารย์ช่วยทําให้เห็นชัดเจนนิดได้ไหมคะว่าเอกรุณาเนี่ย ค, คือคือความปรารถนาให้เขาพล้นจากทุกค่ะคือเมตตาเนี่ยคือความปรารถนาให้เขามีความสุขใช่ไหมค่ะเมตตาความปรารถนาว่าเออใครมีเป็นอะไรยังไงก็ไม่เป็นไรละ่ะขอให้เธอมีความสุขในใจ เพราะว่าความสุขทางกายความสุขทางใจมันคนละเรื่องกันแต่ถ้าเธอมีความทุกข์อยู่เนี่ยฉันก็มีความการุณาที่ปรารถนาจะให้เธอพ้นจากทุกข์อันนี้คือความการุณาค่ะมุทิตาคืออะไรมุทิตาก็คือถ้าคุณมีความสุขอยู่แล้วเนี่ยก็ยินดีด้วยพรอยินดีอ่าความยินดีด้วยแต่ถ้าเธอยังไม่เห็นว่ามีสิ่งที่เหนือกว่าอยู่นะยังทำใจไม่ได้ฉันก็บอกสอนเธอแล้ว บอกก็ได้เท่านี้งั้นฉันก็อุเบกขาไว้วางเฉยใช่เป็นคนวางเฉยทำไมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้ท่านอาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นในกรณีที่ต้องถามละเอียดอย่างนี้เพราะบางท่านอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้มาก่อนหรืออาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยด้วยซ้ำ ม, มัานะคะใช่ท่า น, ท, านท่านเจ้าคุณระแบบียบที่วัดบวรท่านได้เปรียบเทียบพระ ม, มิหารสีไว้อย่างนี้ว่าเมตตาเนี่ยเหมือนกับห้องรับแขก จะเป็นห้องแรกที่บุคคลจะมาเยี่ยมเยียนเราเนี่ยก็มีเราก็มีความเมตตายอยู่ไปเรื่อยๆกรุณ <c oughs> าเนี่ยเป็นห้องน้ําถ้าคุณมีความทุกข์คุณไปปลด <c oughs> มุทิตาเนี่ยเป็นหเหมือนกับห้องอาหารที่คอยอ่มีความแสดงความยินดีอะไรกันอย่างเงี้ยนะ <c oughs> แล้วก็อุเบกขาที่เป็นเป็นห้อ <c oughs> งนอนมุทิตาเนี่ยเป็นเหมือนกับเลี้ยงฉลองไงยินดีกับที่เขามีความสุขอยู่อุเบกขานี่เป็นห้องนอนแต่ไม่ต้องสนใจอะไรอ บางเฉยซะหลับไปเลยอย่างนี้ <S <S <S อันนี้นเปรียบเทียบลงไปอย่างนี้กับกับบ้านใช่ใชกับสถานที่เข้าใจเปรียบนะคะเมตตาความสุขให้เปรียบกับห้องรับแขกเพราะว่าห้องรับแขกนี่เจ้าภาพนี่จต้องตั้งหน้าตั้งตาทําให้คนที่มาเนี่ยมีแต่ความสุขความสุขความสบายค่ะส่วนกรุณาปรารถนาให้พ้นทุกเปรียบเหมือนห้องน้ำบางคนเขาเรียกว่าห้องปลดทุกอห้องสุขาเนี่ยเขาก็บอกว่านั่นแหละ เป็นที่มาแล้วมีความสุขเพราะเอาทุกมาใส่เอามามทิ้งไหค ะ, ะแล้วก็มุทิตาพลอยยินดีเปรียบ<ะ>ไว้กับห้องอาหารอุ<ะ>เบกขาวางเฉยห้องนอนอันนี้เป็นพระคระมเม็นของประเทศดิหลกประเทศดิหลกนะคะเจ้าคุณระแบกบ<ร>แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมาเราอยู่ในเรื่องของการยิ้มในแนวทางของพระพุทธองค์ซึ่งได้ตรัสเอาไว้ว่าเป็นอปันนาธรรม คือทำที่ไม่ผิดไม่ผิดไม่มีทางผิดเป็นการตรัสกับชาวกาลามะว่าถ้ามีศีลห้าข้อชีวิตไม่ร้อนใจแต่การจะมีศีลห้าข้อนั้นขอให้ไปควบคู่กันกันกบพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณามาาุทิตาอุเบกขาที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้จะทำให้เบาใจสีอย่างในปัจจุบันไม่ต้องกังวลว่าชาตินี้ชาติหน้าจะมีหรือเปล่า เพราะว่าปัจจุบันมันดีซะแล้วใช่ไหมคะใช่มีความสุขแน่นอนีแล้วก็มีความสุขโอเข้าวท่าดีนี่ก็เป็นควันหลงของเทศกาลปีใหม่นะคะที่รายการเราก็เอามาพูดคุยมีอีกเรื่องหนึงคะ่ะท่านอาจารย์คะไปเห็นการรวบรวมสถิติที่สุดที่สุดเนี่ยมันก็มีการรวบรวมสถิติที่สุดของเรื่องวาทะแห่งความร้าวฉาน ของปี2552เดี๋ยวฉันไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาจะหยิบยกมาเพื่อว่าใครแต่ว่าสำหรับหลักการหัวข้อที่บอกว่าวาาแห่งความร้าวฉานถ้าหากว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งคือเราเก็บเอาไว้ในใจแนึกมาทยีไลโกรดมันทุกทีนึกมาทีไลโกรดมันทุก ท, ก ท, ก ท, กทีอันนี้เอามาเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วนะค ะ, ะในแนวทางของพุทธศาสนาพระเจ้ า, <อ>าให้เป็นผู้ที่เว้นขาจาก าการพูดยุโยงให้แตกกันก็คือว่าเป็นผู้ที่ยินดีในการพร้อมเปลี่ยงพอใจในความพร้อมเปรี่ยงกล่าวแต่วาจาที่ทําให้เกิดการพร้อมเปลี่ยงกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะยกวาจาที่ก่อให้เกิดความพร้อมเปรี่ยงกันแห่งปีเนี่ยแต่มันจะดีมากแน่เพราะว่าเป็นการสนับสนุนให้คนที่แตกกันเนี่ยสามัคคีกันนะเป็นความพอใจในความสามัคคีความเปลี่ยงกันอย่างเงี้ยนี่จะเป็นตามหลัก แนวพวจน ะ, นะคือที่ต้องกับเรียนถามท่านเนี่ยเพราะมีความเชื่อว่ามีคนจำนวนมากทีเดียวนะคะที่มันติดใจในคำพูดของคนอื่นเน่ติดใจล่นโกรธไม่หายหทีนี้เคยเรียนหนังสือตอนนั้นอยู่ธรรมศาสตร์เขามีหนังสืออ่านประกอบนะคะ<ช>อ่าเป็นเรื่องที่เขียนโดยคุณอา จ, จินปัญจพันธ์เจ้าของนวนิยายชุดเหมืองแร่เนี่ย<ช>ก็เล่าให้ฟังทานองที่ว่า นั่งจมอยู่กับความทุกข์นะคะมีคนคนนึงเนี่ยนั่งจมอยู่กับความทุกข์เมื่ อ, อมีคนไปถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ก็บอกว่าแมมหยิบเอาจดหมายที่มันอ่านแล้วมีความทุกทุกครั้งมาอ่านทีไรเนี่ยมันเสียใจ uh huh. กินเหล้าเมาหมายใช่ไหมคะ <That. S 1> ก็เลยได้รับการไข ความสว่างว่าแล้วจะมานั่งอ่านอีกทําไมจึงเกิดการเผาจดหมายนั้นทิ้งไปเสียแล้วก็ทําให้ชีวิตไม่ต้องมีความทุกข์แบบที่เคยมาใช่ใช่เพราะนั้นมันน่าจะลืมไหมคะเรื่องพวกนี้เรื่องอะไรที่จำแล้วไม่สบายใจ้องต้องลืมอดีตแหละพริรูบอกว่าไ อ, อ้อดีตเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่ควรไปสนใจถามว่าคนเราเนี่ยที่มันแตกกันไม่สามารคีกันอย่างเงี้ยเพราะว่าไปติดยึดในเรื่องอดีตไงให้เธอพูดอย่างนี้ไม่ยอมนะฉันมีความถึดยึดในที่ติแบบนี้มันลงกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราลักอดีตได้วางอดีตได้เนี่ยมันจะสบายจิตเราละอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเราก็กล่าวทความดีสิกล่าววาจาที่ทําให้เกิดความรำเปลี่ยนกันประเด็นก็คือว่าเออเราจะวางอดีตยังไงอ่ะโอ้โหมันยึดแน่นมากเลยในใจเราเนี่ยมันอ่านที่ไรเจ็บแป๊บแป๊ที่ใจทุกทีเลยค่ะใช่ไหมจะวางอดีตได้เนี่ยต้องนั่งสมาธิภาวนาอือผมบอกต้องมีสติในลมหายใจในปัจจุบันละอดีตไม่เป็นลายเร า, า, าวางเอาไว้ถามว่า คุณจะทำได้มีกำลังจิตในการที่จะวางต้องมามีสติรู้ลมหายใจทำสมาธิวิปัสสนานี่คือประเด็นค่ะส่วนรายละเอียดมากกว่านี้ติดตามฟังกันต่อไปในช่วงของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกับพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนกันได้เป็นประจำทุกวันในรายการของเราเลยนะค ะ, คะสำหรับวันนี้ก็นมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งคะ่ะสรรหาเรื่องราวดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข บรร ล, ลุซึงซึ่งปัญญาในสรรสนีสนทนาท่านฟังคะ่ะรายการสรส น, นีสนทนานะคะที่ท่านกําลังฟังอยู่ในขณะนี้คะ่ะเรามีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในแต่ละวันก็พยายามที่จะให้ท่านฟังนั้นได้รับประโยชน์กันอย่างเต็มที่จากคําสอนของพระพุทธองค์ซึ่งรายการของเราเป็นรายการที่มุ่งเน้นที่จะน้อมนาพุทธวจนะ ทำวินัยจากพุทธโอษฐ์มาเป็นการเปิดธรรมให้ท่านฟังเนี่ยนะคะได้มีโอกาสได้เข้าถึงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จะนะท่านสามารถที่จะเขียนคำถามหรือว่าเสนอความคิดเห็น ของท่านมาได้นะคะเรามี2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกจะเป็น SMS 4838106ค่ะ4838106คือ SMS และถ้าเป็นเว็บไซต์นะคะคือ w w w p e e l t h a m a c o m s l a s h 1 0 6ค่ะ p ียวก็สะกด P U R E t h a m, m a D H A M M A .com/slash106 ถ้าจดเลขไม่ทันก็จำเลขของสถานีไว้นะคะ fm 106เนี่แหละค่ะเราก็จะได้มีโอกาสที่จะนำเสนอรายการที่ถูกต้องตรงใจท่านเนื้อสิ่งอื่นใดนะคะในปี2553นี้ท่านผู้ฟังจะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมกันไปด้วยซึ่งเป็ฉันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะกับการที่เราจะเข้าถึงคำสอนของพระพุทธองค์แล้วก็ไปสู่เป้าหมายปลายทางได้นั้นการรู้อย่างเดียวไม่พอ การนำไปปฏิบัตินั้นมันจะมีส่วนที่ปฏิบัติในชีวิตประจําวันด้วยการดําเนินชีวิตให้ถูกต้องตามคันลองของมาร์กแซึ่งสาระสําคัญอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในนั้นก็คือต้องปฏิบททัตธรรมและท่านก็จะได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติในช่วงต้นของรายการเป็นประจําทุกวันก่อนที่ท่านจะไปปฏิบัติโดยการใช้เวลาให้มากขึ้นในเวลาที่มีอยู่ของแต่ละท่าน จากการที่พระมารชาควโรได้นําเสนอในช่วงต้นพร้อมกับมีพระสูตรของพระพุทธองค์มาเสนอกันด้วยนะคะติดตามรับฟังการมาปฏิบัติร่วมกันได้อีกในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามการเข้าถึงหลักแห่งความเป็นจริงและวิถีแห่งการหลุดพ้นได้ในสรนสนิยสนทนาเวลาห้านาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับ สนันนนาพง์ที่นี่สทร f อ106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน